เอมทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งให้จิตมีเครื่องอยู่ก็เจริญสติไปอย่างพุโทโธพุโทโธนะก็คอยรู้สึกตัวไว้ไม่ได้มุ่งความสุขความสงบความดีอะไรหรอกพุโทโธไปก็คอยรู้สึกตัวไปให้จิตหลงไปไหลไปนะก็รู้ทันเอาหรือหายใจไปรู้สึกตัวไว้ จิตลงไปไหลไปแล้วค่อยรู้สึกนะจิตใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเรารุ่นนี้ทำฌานไม่ค่อยเป็นสมาธิเราไม่ค่อยพอทั้งพระทั้งโยมแล้วก็ให้มีเครื่องอยู่ไว้ก็จะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้แล้วรู้สึกรู้สึกไปพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีแรงนะนานไปมีกําลังขึ้นมา ก็มาเจริญปัญญาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานให้ดูอย่าไปคิดเอาดูอย่างที่มันเป็นมีปัสัสนาว่าเห็นเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงถ้าเราสะสมพอเราไปเรื่อยนะศีลก็ตั้งใจรักษาไว้มีสติคุ้มครองจิตกิเลสเกิดรู้ทัน สีเนื้อดีขึ้นดีขึ้นมีสติคุ้มครองจิตอีกจิตไหลไปหลงไปรู้ทันนะได้สมาธิขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามีสติอีกแหละรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตมีสมาธิเป็นคนดูจิตกับร่างกายก็แยกออกจากกันนะจิตกับความสุขความทุกข์ก็แยกออกจากกันจิตกับกุศลอกุศลก็แยกออกจากกัน แยกออกจากขัดแล้วเนี่ยถึงจะเดินปัญญาได้ทำํำมิปัสนาได้ถ้ายังแยกธาตุแยกขันไม่ได้ยังทํามิปัสนาไม่ได้มันมีตําราอยู่อันหนึ่งนะชื่อโสรถยานยาน16ขั้นขั้นแรกสุดเลยยังไม่ถึงมิปัสนาเลยชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปแยกนาม แยกรูปแยกนามแยกยังไงก็ เ, เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจใจเป็นคนดูกุศนะลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจใจเป็นคนดูกุศลอกุศลก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นั่นกระทบอารมณ์แล้วก็ปรุงนะมีการให้ค่าขึ้นมาก็ กุศละกุศลนี่ทําทำงานขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ต้องเห็นเอาเองนะคิดเอาไม่ได้ธรรมะนี่คิดเอาไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่างพวกเรารู้สึกตัวเราดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นธรรมะหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทต้องเห็นนะคิดเอาไม่ได้เด็ดขาดเลยคิดเอาก็ฟุ้งไปเลยพระนรนเคยทูลพระพุทธเจ้าพระนนเป็นพระโสดาบัน ว่าที่พระองค์บอกว่าปฏิจจสมบาตเป็นของลึกซึ้งนะปฏิจจสมบตัตปรากฏแก่ข้าพระองค์เมื่อเป็นของตื้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าอย่ า, อ ย, าอย่าคิดอย่างนั้นพระนนท์ปฏิจจสมบตัตนี้ลึกซึ้งนักถ้ายังไม่เข้าใจปฏิจจสมบตัตยังเวียนว่ายไตเกิดอยู่นี่ท่านสอนอย่างนี้ก็มีการตีความทําไมพระราชนน ว่าปฏิจจสมบาทปรากฏเป็นของง่ายก็มีสองนัยยะอันหนึง่งท่านเก่งมากท่านเลยรู้มากเกินภูมิพระโสดาบันอีกอันหนึ่งก็คือท่านไม่เห็นจริงท่านเลยนึกว่าตื้น ป, ปฏิจจสมบาตนะั้นลึกซึ้งมากนะโดยเฉพาะท่อนท่อนต้อนนะอวิชาปัจญาสังขาราอาวิชาเป็นปัจจัยของสังขาร สังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปท่านนี้ดูยากยากมากที่จะเห็นพวกเราจะเห็นตรงที่มีนามมี ร, นะรูปแล้วนามรูปเราก็ยังไม่ค่อยจะเห็นซีอีกลืมซีอีกเราจะเห็นเลยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็มีนามรูปก็เลยมีอายตนะพวกเราจะรู้จักว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ รู้จักตารู้จักหูรู้จักฉมกูรู้จักลิ้นรู้จักกายใจเขายังไม่ค่อยรู้จักอีกนี่อาศัยอายตนนะก็มีผัสสะตัว น, นี้พวกเราเห็นง่ายแนละ้วมีตาก็เห็นรูปมีหูได้ยินเสียงมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งมีผัสสะขึ้นมาก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวทนามีสองชั้นนะเวทนาแรกเวทนาตรงที่กระทบเลย ตาเห็นรูปเนี่ยเป็นอุเบกขาตาเห็นรูปนะตาไม่มีสุขตาไม่มีทุกข์หูได้ยินเสียงนะหูไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวล้วนๆเลยกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาได้ตรงที่ใจกระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆ นี่ปกติถ้าอารมณ์มันแรงพอพอตาเห็นรูปมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันจะเกิดเวทนาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆทางใจขึ้นนะอาศัยเวทนาที่เกิดทางใจนี่นะถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันเห็นว่าเป็นสักว่าสภาวะนะกิเลสมันจะแทรกเวทนาเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นนะราคาเขาแทรกความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะเขาแทรก อุเบกขาเกิดขึ้นนะโมหะก็แท็บที่จับอารมณ์ได้ไม่มั่นใจไหลๆเลื่อนๆไหลๆไปอาศัยกิเลสเนี่ยก็ผลักดันให้เกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาอย่างเวลาโทสะเกิดเราก็อยากให้อารมณ์ที่กําลังปรากฏนั้นหายไปเวลาราคะเกิดเราก็อยากให้อารมณ์ที่ไม่มีมันมีขึ้นมาอารมณ์ที่มีแล้วอยากให้อยู่นานๆ จะมีความอยากขึ้นมาถ้าโมหะเกิดนะมันจะอยากได้ทุกอย่างเพราะมีโมหะตัวเดียวนะก็มีราคามีโทสะได้หมดเลยเนะีย่ยใจมันจะทำงานเป็นขั้นขั้นข้นเราจะเห็นกระ บ, บวนการทำงานห้ามคิดเอาต้องเห็นเอานะคนที่พูดถึงปฏิจจสมบัติแล้วเห็นปฏิจจสมบัตินี่หายากมากเลย อ่านเอาใครก็อ่านได้นะฟังเอาใครก็ฟังได้แต่เห็นเอานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะตรงที่ตาเห็นรูปนะกว่าจะส่งสัญญาณเข้ามาถึงใจนะเกิดกุศลนกุศลได้นะผ่านกระบวนการที่ละเอียดยิบเลยนะปฏิจจสุบัติที่ท่านแสดงไว้แสดงไว้โดยย่อนะโดยสังเขปเวลาที่จิตกระบวนการของจิตทำงานจริงๆนะละเอียดยิบยิ่งกว่านั้นเนะี่ยไม่ใช่มีแค่1ิขั้น ละเอียดยิบเยอย่างตาเห็นรูปมีตามีรูปมีแสงสว่างมีวิญญาณทางตาเกิดขึ้นนตาเห็นรูปตาเห็นรูปเนี่ยรูปนั้นจะสักแต่ว่าเป็นเป็นสีเป็นแสงเท่านั้นเองไม่รู้ว่ารูปอะไรเนี่ยขนาดแรกไม่รู้ว่ารูปอะไรพวกเราเคยสติไบถึงขนาดที่ว่าเห็นอะไรแล้วไม่รู้ว่าอะไรไหัหย มันจะมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดนึงนะถึงจะแปลได้ว่าคืออะไรตัวนี้เคยเห็นไหมเนี่ยมีกระบวนการนะาตาเห็นรูปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจถ้ารูปนั้นน่าสนใจพอนะถ้าไม่สนใจก็ทิ้งไปเลยนะวิธีก็ขาดไปเลยถ้าน่าสนใจพอจะส่งสัญญาณมาที่ใจนะงั้นขณะที่มีผัสสะแล้วนะมีจิตที่เกิดที่ตาแล้วเนี่ยจิตดวงต่อไปเนี่ยจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ จิตอีกดวงหนึ่งนะจะเอาสัญญานี้เข้าไปแปลเอาไปตีค่านะอีกจิตอีกดวงหนึ่งก็มาตัดสินเลยว่าอันนี้ดีเลยไม่ดีชอบหรือไม่ชอบนะและจิตอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปสเสวยอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นนะเสร็จแล้วพอจิตสเสวยอารมณ์อยู่ชั่วขณะนะชั่วครู่นะมันจะเซฟข้อมูลกับเข้าไปในฝังค์จิตมีการเซฟข้อมูลเลยนะ จะเซฟข้อมูลสั้นๆนเหมือนเราปิดคอ ม, ม, คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เก็บข้อมูลลงไปตัวนี้จะเก็บเป็นมีบากเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกแล้วพอเซฟลงข้อมูลเต็มที่จิตจะลงผวังตกผวังจิตตกผวังแล้วยังมีเคลื่อนอยู่ภายในผวังอีกเคลื่อนลงไปนิ่งวับหนึ่งเรียกผวงางขบาร์ก็เคลื่อนภายในเรียกผวงางขจารณะไม่เคลื่อ น, นเคลื่อนแล้วก็ตัดกระแส ระวังนะขึ้นสู่อารมณ์เรียกวังกุปตเจตะขึ้นมาขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะรู้อารมณ์ทางไหนมีจิตอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวเลือกว่าจะเห็นรูปหรือจะฟังเสียงหรือจะได้กลิ่นได้รสหรือจะคิดเราเลือกไม่ได้เลยเราเลือกไม่ได้เลยพอเลือกแล้วว่าจะดูรูปหรือจะฟังเสียงพอจิตไปดูรูปจิตไปฟังเสียงก็เข้าวิถีอย่างที่เล่าตะกี้อีหมุนอยู่อย่างนี้ แล้วมันก็จะปรุง น, นี่เป็นเรื่องของวิธีจิตพอมันตรงที่มันมันปลุงขึ้นมาแล้วนะตรงที่มันเสเวยอารมณ์นั้นนะมันคือคำว่าพบคำว่าพบในปฏิจจสมุปบาทท่า น, นเห็นไหมกว่าจะถึงพบใช่ตั้งแต่ผัสส ะ, ะมาถึงพบเนี่ยมามีเวทนาใช่ท่านพูดไปย่อๆมีเวทนาตัณหาอุปาทานพบ กระบวนการจริงๆแล้วเยดยิบเลยตรงนี้ทํางานขึ้นมาเยอะๆเลยถ้าพวกเราหัดภอนาเราก็จะเห็นได้ไม่ยากนะท่อนท้ายเนี่ยปุถุชนก็พอเห็นได้พวกเราใครเคยเห็นกระบวนการที่จิตมันทํางา น, นตั้งแต่มีผัสสะจนกระทั่งมันปรุงมีตัวกู่ของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมานพอเห็นได้หรอกตัวเนี้แต่ลึกลงไปกว่านั้นโอ้โหยากนะยาก ตรงที่วิญญาณยังลงแล้วเกิดรูปนามนามรูปขึ้นมาวิญญาณยังอย่างไรทําไมวิญญาณยังมีเจตนาเกิดขึ้นวิญญาณถึงยังลึกนะลึกโดยพระอวิชารวิชานี่เป็นโคตเป็นเงาเป็นรากฐานพ่อแม่ของกิเลสเลยความไม่รู้แจ้งอริยสัจ นั้นถึงยะพูดปฏิจจสุบาติพูดอริยสัตจเลยแต่ไม่เคยเห็นอริยสัต์ตัวจริงนะไม่ได้ผลอะไรถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งอริยสัต์นะจะข้ามภพขําชาติ น, ะนะ่ะงั้นพวเราเห็นตอนปลายๆมันจะเริ่มเห็นว่าตัวเราไม่มีตรงที่มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาอุปาทานมีภพนี่ไม่มีเราอยู่แล้วมันก็ชาติมีตัวมี ต, มตนโผล่ขึ้นมา ก็ได้รู้อะไรค่อยดูไปื่อยตัวเราจริงๆไม่มีมันปรุงขึ้นมารุงความเป็นเราขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็สลายไปตัวเราไม่มีพระโสดาก็เห็นตัวนี้ยแต่พระโสดาไม่มีทางเห็นอริยสัจเลยพระนาคาก็ไม่เห็นอริยสัจอริยสัจข้อแรกนีก็คือตัวทุกข์ทุกข์ขัด เรื่องใหญ่ที่สุดเลยตัวทุกเนี่ยถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่ก็ล้าสมุทัยเมื่อนั้นล้าสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นนั้นยากเหี่ยนแสนเขียนก็ต้องให้รู้ทุกนี่แหละอะไรเรียกว่าทุกขรูปนามกายใจของเรานี่แหละเรียกว่าทุกขอาการปรากฏของทุกขก็เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏที่ปรากฏขึ้นในร่างกาย ความพลาดพาดจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเนี่ยป็นอาการปรากฏขึ้นทางใจนี่คนทั่วๆไปอย่างเก่งที่สุดเลยก็แค่รู้สึกว่าแก่แล้วเป็นทุกข์เจ็บแล้วเป็นทุกข์ตายแล้วเป็นทุกข์ยังอยู่ที่ตัวอาการยังไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกข์นะแค่ตัวอาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองความแก่เป็นอาการปรากฏของทุกข์อะไรเป็นทุกข์ข้กายนี้เป็นทุกข์ ต้องภาวนานะภาวนาหลังชนกำแพงเลยแบบสุดสติสุดปัญญานะทีงจะเห็นต้องค่อยๆทำนะรักษาศี่ห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานอย่าแต่คิดเอาอย่าไปเพ่งอย่าไปคิดเอา เพ่งไปเรื่อยๆก็บังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากจิตมากก็ฟุ้งซ่านเผลอเผลนให้รู้สึกเอาให้รู้ให้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในกายในใจไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นเป็นลําดับลําดับมันแก่กล้าขึ้นกุศลมันจะแก่กล้าขึ้นทุกๆตัวแล้ว สติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเป็นสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้มีสติสติจะเกิดเองสมาธิก็เป็นอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งมั่นเองนะหลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นโยมนะเรื่องเรื่องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่ง ก็ฝึกจนอัตโนมัตินะปัญญาอัตโนมัติแยกรูปนามไปเรื่อยเห็นรูปเห็นนามแสดงใจรักไปเรื่อยฝึกไปจนมาอัตโนมัติเหมือนเสร็จแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้ทาไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทไมไมีฝึกขนาดนี้แล้วยังไม่ได้อีกนะสุดสติสูตรปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ได้อนะถึงจุดที่จะได้มารกได้ผลไม่ได้เจตนา ไม่ได้นึกได้ฝันนะไม่ได้เจตนาเลยจิตเนี่ยรวมข้าพณาสมาธนะิมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นนิดเดียวจิตรวมข้าพณาสมาธิเลยรวมเข้าถึงฐานเนะงนสมาธิที่ฝึกออกนอกฐานสมาธิที่จิตเพ่งอารมณ์ไม่มีทางเกิดอริยมรรคเลยนะสมาธิฤาษีอย่างนั้นไม่มีทาง สมาธิที่จะเกิดอรายาิยมรรคได้ต้องจิตถึงฐานจริงๆถึงอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไปตั้งอยู่ที่ไหนจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่เจตนาจะเข้าใจไม่คิดไม่นึกอะไรไม่มีภาษาคนทุกอย่างมันอัตโนมัตินะอรายาิยมรรคถึงจะเกิด แลประเภทลุนลุนเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้จะเกิดมากแล้วอย่างนี้ไม่เกิดเวลาเกิดเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจจะเกิดถ้าจงใจนิดเดียวก็ไม่เกิดแล้วความจงใจเรียกว่ามโนสัญญะเจตนาความจงใจจะทําให้เกิดการกระทํากรรมการกระทํากรรมมัต้องอยู่ในพบแน่นอนเลยในขณะที่เกิดโลกุตระเกิดมากเกิดผลเป็นโลกุตระไม่อยู่ในพบงั้นเราความจงใจมานั่นก็สร้างพบได้ แต่ว่าทําโลกุตระขึ้นมาไม่ได้งั้นจงใจก็ไม่ได้นะแต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจหัดไปก่อนหัดจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทีแรกมันไม่อัตโนมัติหรอกต้องฝึกวิธีฝึกให้มีสติอัตโนมัติก็คือหัดรู้สภาวะทั้งหลายไปอะไรเกิดขึ้นในกายเขารู้สึกอะไรเกิดในจิตใจเขารู้สึกน จนกรทั้งมันรู้สึกโดยไม่ได้เจตนาจะรู้เมื่ออัตโนมัติในอภิธรรมถึงสอนว่าทีรัสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจะจําสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยเมื่อเราดูสภาวะบ่อยๆเดี๋ยวสติเกิดเองอย่าไปจงใจให้สติเกิดมันจะกลายเป็นสติตัวปลอมสมาธิเกิดจากความสุข ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในสมาธิมีสองงานนะหนึ่งจะมีความสุขอยู่กับตัวอารมณ์ในอารมณ์นปนิชฌานทำสมถาได้อย่างเดียวกับทำงานทางโลกใช้อารมณ์นุปนิชฌานทำสมถากับทำงานทางโลกใช้สมาธิแบบนั้นอีกอันหนึ่งนะจิตมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองมันก็สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวของมันเองเรียกลักณปนิชาน รักขนูปนิชานเอาไว้เช้าทำสมถะก็ได้สำหรับพระริยะบุคคลเอาไว้เจริญวิปัสสนาก็ได้ทำสมถะก็ได้ใช้ได้หลายอย่างเวลาจะสัมผัสพระนิพพานใช้ลักขนูปนิชานจิตจะทรงฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป ม, มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่แรกก็จะดูที่จิตก่อนเสร็จแล้วไปเพิกจิตออก จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก่อน mm hmm. เสร็จแล้วมันเพิกจิตออกอีกทีถ้า mm hmm. ถึงพระนิพพานในตรงที่จิตที่ว่างๆยังไม่ใช่พระนิพพานจิตว่างไม่ใช่พระนิพพานนะจิตก็เป็นสภาวาธรรมอันหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งแลเพิกจิตออกไปนะไม่ตั้งอยู่ที่จิตไม่มีจิตตั้งแต่ไม่ได้ไปไหนได้จะเห็นพระนิพพานอันนั้นไว้พวกเราได้โสดา สัคตะคานาคาเลยนะี่จะค่อยๆเรียนพวกนีนะ้ตอนนี้เรียนยังไงให้เกิดสติบ่อยๆให้จิตตั้งมั่นเนาะฝึกให้มากๆส่วนปัญญาอัตโนมัติมันก็มาจากอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่ถูกเนาะสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิแบบที่ใช้ทํางานทางโลกอารมณูปนิชานนะ ก็ทำให้เกิดปัญญาทางโลกสมาธิที่จิตตั้งมั่นถึงฐานั้นงทำให้เกิดปัญญาทางธรรมนี่สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดอารามนูปนิชานก็เกิดปัญญาทางโลกสมาธ่ชนิดลักขณูปนิชานเกิดปัญญาทางธรรมไม่เหมือนกันทนทนท น, ทนเรียนหน่อยเนาะไม่ค่อยมีใครเขาสอ น, นหรอก ฌานนี้ส่วนมากก็สอนปฏิบัติไปอะไรไปไม่รู้ทิศทางทํายากร้อยคนพันคนหลุดออกมาได้คนหนึ่งยังไม่มีหลวงพ่อกล้าพูดเลยนะว่าไม่มียุคไหนนะที่คนตื่นแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะเท่ายุคเหล่านี้แล้วนะไม่มีแล้เพ่อหลวงพ่อนั้นสอนละเอียดยิบเลยไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆเลย เรียนจากครูบาอาจารย์ชั้นเลิศมาเสร็จ แ, แล้วจับหลักได้เสร็จแล้วมาบวชนะมาพอนานะพานาจูใจเราแล้วเรียนอาพิธมอ่านโอ้ปริยตัติปฏิบัติมันลงกันนะหลังๆนี่เวลาแจกแจงธรรมะจะง่ายถ แ, แจกแจงออกมาพวกเราตามแป๊บเดียวก็เป็นแนละ้วเดือน ก, กว่าๆแยกธาตุแย ก, แยกขันได้สมัยลูกศิษย์รุ่นแรกๆนะ เป็นฟรีเลยนะกว่าจิตจะตั้งมั่นเนะี่ยนี้เดือนหนึ่งสองเดือนแยกธาตุแยกขันได้นะใช้เวลาสั้นกว่ากันเยอะเลยงั้นไม่แปลกนะว่าทำไมคนเจอพระเจ้าสอนสองประโยคบรรลุแล้วคนะือท่านเก่งมากๆนะบารมีท่านแรงเก่งมากไม่มียุคไหนหรอกนะที่คนแยกธาตุแยกขันได้เยอะเท่ายุคเรานีนะ้เต็มไปหมดเลย แยกทาแยกขันได้แล้วต่อไปดูขันแสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นขันเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของขันเป็นมิปัสสนานะสอนละเอียดยิบเลยนะบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นมิปัสสนาพุทโธเป็นสมถะสมถะด้วยกันทั้งคู่เห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องท้องเป็นอะไรท้องเป็นรูปก็เป็นสมถะเห็นไตรลักษณ์ ในรูปในนามนถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นไอ้ตัวที่พองยุบเนี่ยมันไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตนะุหรือเห็นว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นนะมันพองมันก็ทุกขนะ์แล้วมันยุบมันก็ทุกข์นะอย่างนั้นมันถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนขึ้นวิปัสสนาะนะยากมากเลยครูบาอาจารย์ท่านทำได้ทำได้เป็นองค์ หลักสิบหลักร้อยอะไรนี้นี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาว่าหลงตามมหาบัวเคยบอกว่าในงานเผาศพท่านอาจารย์มั่นมีพระที่ท่านบอกเป็นพระละหันนะสามสิบ็ดองค์ที่ไปเผาศพท่านอาจารย์มั่นพระนาคามีเป็นร้อยท่านว่างั้นนะโสดาสกถาคานับไม่ถูก เสร็จแล้วก็ท่านก็ค่อยๆตายไปค่อยๆหมดไปหมดไปขาดช่วงธรรมะขาดช่วงไปอันนี้ท่านบอกหรอกจริงหรือเปล่าตัดสินไม่ได้เพราะจริงๆไม่มีใครมีสิทธิ์พยากรณ์มรรคผลขนาด น, นั้นคนที่พยากรณ์มรรคผลก็เจ้าตัวเองนะเจ้าตัวบอกกับหมูสาธันมิกบอกได้ ข้ามุติท่ า, านี้เขาจะตรวจสอบว่าถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ใช่บอกสาธารณะนะไม่ใช่พระพูดเรื่องมรรคผลได้ไหมพระต้องพูดเรื่องมรรคผลในกระถาวัตถุพูดเรื่องมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีใช่ปรารบความเพียนศีล ส, สมาธิปัญญา แล้วก็มาผลนิพพานเลยสอนพูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้แต่พูดเพื่อหาราบสักการะไม่ได้พูดกับโยมไม่ได้พูดต ร, ตรงตรงไม่ได้หรอกของโยมก็ฟังผิวผิวหน่อยก็ตามชั้นตามภูมิเนาะแต่หลวงพ่อสอนเยอะมากแล้วล่ะอาจารย์ทั่วๆไปสอนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะถ้าท่านสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้เลย สอนมากกว่าที่สอนพวกเราอีกแต่ว่ามันสอนทีละคนสองคนไม่มีซีดีไม่มีเทปเดี๋ยวนี้มีซีดีมีเทปนะคนเอาไปฟังนคือสมัยก่อนคนสนใจภาวนาจริงๆแล้วเข้าไปเรียนไม่ได้ไปจับผิริาจารย์เลยเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมเข้าไปอยากได้ธรรมะอยากได้ความพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้พอเป็นหนังสือเป็นซีดีออกวิทยุออกโทรทัศนะ์นคนซึ่งมันไม่ได้มีศรัทธามันก็ได้ฟังไปด้วย มันก็คอยว่าคอยจับผิดนะปัญหาก็มีเยอะท่านก็เลยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอะไรเปลืงตัวหลวงพ่อเนี่ยพูดลึกกว่าของคนอื่นเขาแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆและไม่มีแล้วหายากเต็มทีนะตายไปเรื่อยๆแล้วรอพวกเราพาอนาให้เก่งๆนะให้ได้ไปสืบทอดศาสนาให้ได้ <laughs> อย่าสืบทอดอาจารย์นะ สืบทอดธรรมนะสายไหนสายไหนเรื่องของความโง่เรื่องของทิฏฐิมานะสายโน้นสายนี้นะไม่มีสายนะภาวนาเป็นนะไม่มีสายหรอกเรื่อสติเจะะระึกรู้กายใครสั่งได้สติเจะะระึกรู้จิตใครสั่งได้มันรึกของมันเองนะไม่มีไม่ใช่สั่งได้ว่าดูแต่กายดูแต่จิตนะไม่มีหรอกที่มีแยกพวกแยกสายเลยนะทําให้ศาสนาเราอ่อนแอมากเลย แต่ว่าต้องอยากรู้อย่างหนึ่งว่าจริตนิสัยคนแตกต่างกันนะหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มีกว้างกวางมากแต่ต้องถูกหลักที่ท่านสอนนะที่อาจารย์เขาไปปรุงอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยมันนอกที่พระพุทธเจ้าสอนไปมันเพี้ยนไปเลยธรรมาเพี้ยนเพนะียเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะ กรรมฐานพ้นทุกข์ไม่แบบรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ค่อยมีใครสอนพวกเราฟังนะไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกเร๋ยมภาวนาเป็นสิเกณฑ์แม้เวลาหลวงพ่อสอนสอนอย่างหนึ่งนะเวลาส่งกันบ้านมันเป็นอีกแบบหนึ่งรู้สึกไหมเห็นยุกยิกเนี่ยสอนไหมยุกยิกไม่ได้สอนเลยเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เห็นเห็นมือหลุดออกไปอยู่โน้นไม่ใช่เราหรอกอะไรเงี้ยนะ เวลาส่งกันบ้านต่างๆทำไมมันเป็นออกออกไปอีกแบบห น, นึ่งนี่แหละนักปฏิบัติลนะ่นะเวลาสอนนี่หลวงพ่อสอนหลักนะ่เาะเราไปทํานะคําถามที่ออกมาจะเป็นคําถามเชิงปฏิบัติ น, ะน้าฟังคําถามเชิงปริยัติเนี่ยได้ยินละเอียนมากละเอียนนะเวลาใครจะถามนะี่หลวงพ่อเทียบประกาศเลยว่าถามเรื่องปฏิบัติของตัวเองนะเอาไปกินข้าวไปนะ